ปัญหาที่8ถามเรื่องนา ม, มารูปข้า แ, แต่พระนาคเสนคำว่านามรูปที่พระผู้เป็นเจ้าได้กล่าวไว้แล้วนั้นอะไรเป็นนามรูปรูปใดเป็นรูปอยากรูปนั้นแหละเป็นรูปส่วนสิ่งใดเป็นของละเอียดคือจิตและเจตสิกสิ่งนั้นเรียกว่านามข้า แ, แต่พระผู้เป็นเจ้า เหตุใดจึงถือกำเนิดแต่น้ำส่วนรูปไม่ถือกำเนิดละ่ะขอถวายพระพรสิ่งเหล่านั้นอาศัยกันและกันย่อมเกิดด้วยกันขอนิมนุปมาด้วยขอถวายพระพรถ้าแม่ไก่ไม่มีการะในวงเล็บน้ำใสๆเล็กๆไข่ก็ไม่มีการะกับไข่ ทั้งสองนี้อาศัยกันเกิดร่วมกันไปชันใดข้อนี้ก็มีอุปมาชันนั้นแหละมหาบาพิษคือถ้านามไม่มีรูปก็เกิดไม่ได้นามกับรูปทั้งสองนี้อาศัยกันเกิดด้วยกันนามกับรูปทั้งสองนี้เวียนวนมาในวัฏสงสารสิ้นกระนาหนักหนาแล้ว สมควรแล้วพระผู้เป็นเจ้า